ของจิตคือภาวะความปกติไม่เหมือนบ้านของกายที่ต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆแต่บ้านของจิตไม่ต้องซ่อมเลยจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์ขึ้นชื่อว่าพึ่งพาอาศัยได้ชีวิตที่มีบ้านที่มีปกติเป็นชีวิตจิตใจเป็นชีวิตที่พึ่งได้ หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนขณะ น, นี้จิตใจของเรายังคงเป็นปกติดีอยู่ไหมไอเรื่องร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันก็ย่อมมีความเจ็บป่วย เป็นนู่นเป็นนี่เมื่อยล้าอ่อนแรงเป็นธรรมดาดีแล้วเี่มันเป็นธรรมชาติของเขาส่วนของราอ่างกายก็ดูแลเขาพอสมควรนะมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ที่สำคัญนะก็คือต้องที่ติดใจใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราเราต้องดูแลเขาให้มาก วัดใจเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขของความทุกข์ใจเรา เ, เป็นที่ตั้งของความรู้และก็ความหลงลองดูซิว่าขณะนี้เรากาลังรู้หรือกำลังหลงกําลังรู้สึกตัวฟังอยู่หรือกำลังหลงลืมตัวไปกับความคิดนึก แต่งกลับมากลับมาสู่บ้านของเราบ้านของจิตใจคือความเป็นปกติชีวิตที่เป็นปกติคือชีวิตที่มีความรู้สึกตัวรู้อยู่ดูอยู่นี่คือความปกติของจิตเราไม่ต้องไปทำใจเป็นปกติหรอกเพียงแต่เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไร กำลังคิดอะไรไอันเนี้ยเท่ากับเป็นการพาจิตพาใจเราสู่บ้านของเราคือความเป็นปกติเราลองประเมินดูก็ได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวมากหรือมีความหลงลืมตัวมากเราก็พอจะประเมินดูได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไป แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างภาวะของความเป็นปกติคุ้มกรองจิตใจเราให้มีความสุขได้ชีวิตเราเนี่ยมันมีการก้าวเดินไปก้าวเดินทั้งนั้นร่างกายแล้วก็จิตใจก้าวเดินทางกายคือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า พัฒนาไม่หยุดยัง้งร่างกายจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจเราก็มีการก้าวเดินเหมือนกันคือการพัฒนาทางด้านจิตใจการก้าวเดินทางด้านร่างกายและจิตใจนี่ก็ตามเราต้องเดินไปด้วยความรู้สึกตัวคิดไปด้วยความรู้สึกตัวชีวิตเราเนี่ยจะปลอดภัยมาก ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกตัวความปลอดภัยชีวิตของเราเนี่ยจะมีมากความปิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเดินเมินชีวิตด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักตัวของเรารู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตเป็นเรื่องของตัวเรา เมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือความสุขความสุขนี่จะเกิดขึ้นได้นะเมื่อเรารู้จักตัวเราเพราะว่าทุกครั้งที่รู้จักตัวเราเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามแต่จะความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะช่วยแก้ไข อย่างน้อยไม่เข้าไปเป็นกับปัญหาไม่เข้าไปผูกพันพันตัวกับปัญหาไปเพียงแค่รู้รู้เท่าทันในปัญหาที่ทเกิดขึ้นแล้วก็จะพบวิธีการแก้ปัญหาแก้ไขใจก็จะเป็นสุขเมื่อปัญหาเหล่านั้นถูกแก้ไขได้เนี่ยเป็นเพราะว่าความสุขตัวเนี่ยนำพาชีวิตเราไปทำให้เป็นปกติ ผจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเรามีการปฏิบัติธรรมหรือมีความรู้สึกตัวเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะมีความพอดีนะการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดความพอดีการเจริญสติก็ทำให้เกิดความพอดีเมื่อมีความพอดีเกิดขึ้นในจิตใจเรามันก็มีความเป็นปกติการใช้ชีวิต ก็ใช้อย่างเป็นปกติปกติของชีวิตเรายางไรขึ้นอยู่กับแต่ละคนวิถีชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันในความต่างของชีวิตมันก็มีความปกติอยู่ในตัวเดียวกันการเข้าสู่สังคมการพบปะพูดคุยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเราจะเข้าสู่สังคมเข้าสู่การพูดคุยสนทากัน ถ้าเราเข้าสู่เหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้ด้วยความหลงลืมตัวเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา <c oughs> การพูดคุยเนี่ยมันจะมีแต่ความหลงเพราะว่าสังเกตดูไหมเวลาเราพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยกันหลายๆคนเนี่ยถ้าเรามีความหลงลืมตัวอะไรแล้วก็โอ้มันจะมีความพูดมากเราจะกลายเป็นคนพูดมาก บางทีแย่งกันพูดอันนี้เพราะขาดสตินะการพูดเยอะพูดมากแย่งกันพูดนี่อันนี้คือทำให้เราขาดสติได้ง่ายแล้วความเป็นปกติของการสนทนาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่เป็นความปกติของความวุ่นวายถ้ารามีสติก่อนจะพูดสักหน่อยเราเห็นความคิดความคิดที่คิดอยากจะพูดโอ้สติมันจะเห็นนะโอ้นี่มันอยากจะพูด สติจะเห็นความคิดจะจะพูดบางทีไม่ต้องพูดเลยเพราะสิ่งที่จะพูดเนี่ยบางทีมันไล่สาระไม่ต้องพูดก็ได้เขาจึงบอกว่าก่อนพูดต้องคิดทุกครั้งที่ก่อนจะพูดต้องคิดก่อนแต่บางทีพอคิดแล้วไม่ต้องพูดก็ได้อันเนี้ยแสดงว่าคิดแล้วไม่ต้องพูดก็ได้อันนี้คือสติเข้ามาช่วยละบางครั้งเนี่ยการพูดมาก ก็มีโอกาสผิดมากแต่เหมือนกันคาพูดบางคําเนี่ยบางทีทำให้เราช้ำใจไปนานช้ำใจไปตั้งตลอดชีวิตก็มีนะเราไม่น่าพูดคําคานี้ไปเลยเราไม่ควรพูดคําคํานี้ไปเลยเมื่อพูดไปแล้วโอ้เรากลับกายมาต้องแก้ไขมาเป็นทุกข์เพราะคําพูดของเราอันเนี้ยพอพูดด้วยการขาดสติถ้าเรามีสติแล้วเนี่ย เราจะเป็นผู้พูดที่ดีและก็เป็นผู้ฟังที่ดีเพราะนั้นก่อนจะพูดในวงสนทนาให้มีความรู้สึกตัวอนบางทีเราจะไม่ต้องพูดอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกตัวฟังอยู่เมื่อมีโอกาสก็พูดได้แต่ก็จะพูดแบบไม่มากพูดเท่าที่จําเป็นพูดมากสติมันก็น้อย ถ้ามีสติแล้วเนี่ยคำพูดจะไม่มากจะมีคำพูดที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสังคมของการพูดเนี่ยสำคัญนะจะต้องมีความรู้สึกตัวเราสิ่งที่เป็นปกติอีกอย่างนึงก็คือเราต้องทํางานเราต้องทํางานชีวิตต้องใช้กําลังงานใช้ความคิดงานบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้คําพูด แล้วก็ต้องใช้ความคิดแต่ไม่เป็นไรหรอกจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามให้มีสติด้วยให้สลับกับการมีสติพูดไปอ่ะสติเกิดตามก่อนจะพูดเอามีสติเกิดด้วยเวลาคิดก็อย่าลืมที่จะมีสติตามรู้ตามดูหลังจากที่มันคิดความคิดเนี่นจะเกิดพร้อมสติไม่ได้นะมันต้องคิดก่อน แล้วจึงจะมีสติถามรู้ว่าจิตมันคิดอะไรหรือบางทีสติมันเกิดก่อนแล้วค่อยคิดตามหลังทุกครั้งที่จิตคิดเราอย่าเผลออย่าปล่อยให้จิตมันคิดในเรื่องงานเรื่องสิ่งทั้งหลายการทำงานเนี่ยบางทีมันคิดต้องใช้ความคิดื่งทีเราเคยชินนะเคยชินไปกับความคิดอ้อคิดมากเลยแล้วก็เผลอไปปล่อยจิตปล่อยใจ ตกไปในเกลียวของความคิดเมื่อที่จิตมันจะเหนื่อยถ้าเรามีสติแอบๆดูจิตใจเราบ้างขณะคิดอะไรเพลินเราลองแอบๆดูจิตใจเรารู้สึกอย่างไรพอใจหรือไม่พอใจคิดอะไรแอบดูจิตใจเราขณะคิดบ้างสติเนี่ยช่วยตัดความคิดนะทาให้จิตเนี่ยมันผ่อนคลายชัวย่วขณะเมื่อที่เราคิดเพลินนะคิดไปมันทีทำใหจิตใจเราเครียดเราก็ไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราแ อ, แอบดูความคิดเรารู้สึกตัวรู้สีว่าเราคิดอะไรในช่วงการแอบดูความคิดแอบดูจิตใจเราเนี่ยมันมช่วงการทำให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายความคิดจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการช่วยจิตช่วยใจเราไม่มันปรุงแต่งจน่ทำให้จิตใจมันเครียดทุกครั้งที่จิตมันคิดเนี่ยเราดูเถอะคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยจะเห็นว่าจิตที่มันเป็นทุกข์ เมื่อจิตมันคิดเมื่อจิตมันก็ทุกแล้วเพราะมันมีการเกิดดับมันเกิดเมื่อมันคิดมันดับเมื่อมันไม่คิดมันรู้สึกตัวเมื่อคือการเกิดพอหมดความสึกตัวไปจิตมันก็ดับกลายเป็นความหลงอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะจิตมันก็ต้องเป็นทุกนะมันคิดจิตก็เป็นทุกนะมีสติแอบดูขสักหน่อยรู้เขสักหน่อยเป็นการช่วยจิตช่วยใจ เจอความรู้สึกตัวเนี่ยแหละเขาช่วยป้องกันจิตใจไม่ให้ไปเสพติดอารมณ์ทาให้จิตใจเราเกิดความผ่อนคลายนิสัยของจิตใจเรามันชอบซ้มซ้คือไปกับอารมณ์ไม่เลือกเวลามีอารมณ์ดีมากระทบจิตใจเราก็ไปกับอารมณ์ดีดีใจพอใจเพลอเพนไปเลย มันก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะคอาคิดดีอารมณ์ดีบางทีอารมณ์ไม่ดีมากระทบความหมดุดมดความไม่พอใจไม่สบายใจมากระทบจิตใจจิตใจเราก็ไปกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะจะไม่เรียกว่าสังจอบไดอย่างไรคือไปไม่เลือกอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะอารมณ์ดีก็ไปกับเขาอารมณ์ไม่ดีก็ไปกับเข็ไปทิที่สัมจอบเวรากรรเขียนเนี่ย ใช้คำพูดทิดดักกับผมอีกท่านบอกว่าเป็นโสเพณีจิตแต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะช่วยจิตใจในตอนนี้ช่วยป้องกันจิตใจไม่ให้ไปเสพอารมณ์้านเกินไปทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตก็จะเป็นปกติกลับบ้านปลอดภยัยไม่เน็ดเลยไปกับอารมณ์พนันการทางานเนยอย่าลืมรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกตัวเนี่ย ช่วยกายช่วยใจเราให้เป็นปกติให้เกิดความพอดีความพอดีของกายเนี่ยก็คือเมื่อเวลาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หยุดพักก็จะเกิดความพอดีความพอดีของจิตเมื่อคิดเหน็ดเหนื่อยคิดมากเมื่อมีความสุขตัวเนี่ยก็จะรักษาภาวะของติดให้เกิดความพอดีคือเป็นปกติเรนั้งการปฏิบททัติธรรมคือการทากายทาใจ ให้เกิดความพอดีจะพอดีได้นั้นต้องมีความรู้สึกตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องช่วยกายช่วยใจนะช่วยกายช่วยใจรักษากายใจให้เป็นปกติเมื่อเหน็บเหนื่อยทางกายก็หยุดพักเมื่อเหน็บเหนื่อยทางจิตต้องเปลี่ยนยาบทไปมองสิ่งอื่นไปทำสิ่งอื่นซิบ้างเพื่อเป็นการช่วยกายช่วยใจให้เป็นปกติอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรม แต่การช่วยกายช่วยใจนั้นอย่าช่วยฟรีๆอย่าช่วยโดยสตติยานต้องเติมความรู้สึกตัวลงไปด้วยการเติมความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายไปกับการคิดเนื่งของจิตเมื่อจิตมันคิดก็รู้สึกตัวเมื่อกายมันเคลื่อนไหวไปทำอะไรก็รู้สึกตัวเป็นการสร้างนิสัยที่ดีนิสัยที่จะรู้สึกตัว มันจะเกิดความเคยชินแบบใหม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวนำหน้าความเคยชินที่จะหลงลืมตัวเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกตัวแล้วความเคยชินที่จะมีสติไม่หลงลืมตัวก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินี่แหละคือการใช้ชีวิตแบบปกติและก็พอเพียง พอสมควรพองามทำให้จิตใจเราเกิดความสุขแล้วก็ความสบาย